ทสวัสดีค่ะท่านขวังที่เคารพค่ะดิฉันสันสนีนาคพงนะคะมาอีกแล้วพร้อมๆกับรายการสรนสนีสนทนาสนทนากันอยู่เรื่องหลักก็คือเรื่องของธรรมะเกือร้อยเปอเซล้ล่ะค่ะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ที่สาวกองค์สําคัญของพระพุทธองค์ได้พูดเอาไว้บ้างที่เป็นประโยชน์แล้วก็ยังใช้ประโยชน์ได้ในทุกๆวันนี้สําหรับชีวิตประจําวันของท่านด้วยสําหรับการที่จะคาดหวังในสิ่งที่ยิ่งยิ่งขึ้นไป ซึ่งเป็นความทุกข์ที่น้อยลงในทุกๆวันด้วยเป็นคำสอนไม่ใช่จากครูบาอาจารย์ธรรมดานะคะเป็นศาสดาแห่งโลกองค์สำคัญเลยก็คือพระพุทธเจ้าของเราทีนี้ทำความเข้าใจกับท่านที่อาจจะอย่างเพิ่งมาฟังรายการหรืออาจจะยังไม่ค่อยคล่องตัวกับการที่จะไปตามๆกับรายการโดยเฉพาะในช่วงแรกของการทาสมาธิ เดี๋ยวดิฉันก็จะไปกราบเรียนถามท่านภบูบณญก่อนที่ท่านจะนำนั่งสมาธิซึ่งระยะนี้นี่เรามีการให้ทำสมาธิก่อนที่จะฟังธรรมเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้บุญตั้งแต่เช้าเลยนะคะกับการทำสมาธิเพียงเล็กน้อยแล้วก็เป็นความคุ้นเคยกับอารมณ์ในสมาธิจะได้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปโดยให้ประโยชน์กับคนที่ไม่มีโอกาสที่ไปวัดหรือว่าไปฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบ ไปกลับนมัสการถามท่านเพรบุ์กันเลยนะคะเราจะได้รู้ว่าอานิสงส์ของการปฏิบัติ้เป็นอย่างไรหรือถึงได้เชิญชวนให้ท่านปฏิบัติกันนักหนาในช่วงต้นของรายการพระเพรบุ์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายศุดรนธานีนะคะกลาบนมัสการค่ะท่านคะเจริญพานค่ะพูดถึงอานิสงส์ของการนั่งสมาธินะคุณยมติวค่ะโอ้โหมันเยอะมากเลยเอาเอาเรื่องเบสิกเบสิกก่อนที่ท่านผู้ฟังจะจะได้รับเดี๋ยวนี้นะที่นี่เวลานี้เลยแต่พอเรา มีสติในลหมหายใจปั๊บเนี่ยนะนาทีนั้นเนี่ยจิตของเราก็จะไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบเอาเอาแค่วินาทีนั้นก่อนนะในะวินาทีนั้นก่อนเพราะนั้นสิ่งที่เราจะได้คือความสงบในภายในอันนี้อันที่1นนะแต่ตอนนี้ผลของความสงบนะที่เกิดขึ้นนะที่จิตเกิดแบบสั้นๆตรงนั้นแค่นั้นนะก็จะนํามาซึ่งถ้ามันมีต่อไปเรื่อยๆมีโมเมนตัมของมันเนี่ยมันก็จะเป็นไปเพื่อปีติเป็นไปเพื่อความสุข เป็นไปเพื่อสมาธิที่ลึกซึ้งขึ้นไปนะพอเรามีสมาธิที่ลึกซึ้งขึ้นไปนะแค่ว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งในสถานการณ์ที่เราอยู่เช่นว่ามีสถานการณ์เร่งด่วนเกิดขึ้นรีบด่วนเกิดขึ้นนะจิตที่เป็นสมาธิตรงนี้จะช่วยทําให้เราตัดสินใจดีขึ้นจะช่วยทําให้เราตอบสนองตอบคนที่เขามาพูดอะไรต่างๆได้ดีขึ้นแก้ปัญหาได้ดีขึ้นอันนี้คือเรื่องเบสิคเบสิคแล้วที่ลึกซึ้งไปกว่านั้ น, นาาจะทำให้จิตของเราเนี่ยเห็นตามจริง เห็นตามจริงแล้วเราจะมีความนายใครกำหนดปล่อยวางแล้วก็สามารถทำมักผลนิพพานตั้งแต่โสดาปฏิพลจนถึงอรัตผลนะให้แจ้งได้ด้วยจิตที่เป็นสมาธิแบบนี้ค่ ะ, <น>ะถูกค่ะวิงเข้าใจว่าอย่างเนี้ยฟังดูแล้วถูกต้องที่สุดเพราะว่าท่านถอดออกมาจากคำของประสาสดาด้วยจากประสบการณ์ของท่านเองด้วย<ช>นะคะ<ช>แต่ทีนี้คนในโลกโลกอะค่ะก็อาจจะบอกว่า ที่เราต้องการนะมันต้องการร่ํารวยต้องการลาบยศต้องการ อ, อ, อื่นๆที่โลกก็ต้องการกันนะคะทั้งนั้นเดชพานนั่งสมาธิแล้วได้ไหมคะ อ, อแน่นอนซึ่งพระุทธเจ้าเคยตรัสไว้ถึงเรื่องของศีลสมาธิปัญญาคือการปฏิบัติตามบารมีมิองแปดเนี่ยถ้าเราปรารถนาลาบปัจจัยสีนะ น, นี้เราก็จะได้ตามปรารถนานะลาบปัจจัยสีในที่นี้ก็คือหมายถึงเครื่องอยู่เครื่องกิน อ, อยานพาหนะยารักษาโรค พ, พวกนี้ของที่จะต้อง อยู่กินของคารวาสต่างๆนะคือถ้าเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยมาต้องการจะพูดถึงก็เรียกว่าตะ ก, กะที่ทําให้ไปถึงตรงนั้นแต่บากว่าจะมองเอ๊ะแล้วปฏิบัติศีลแล้วมันจะไปรวยได้ไงใช่ไหมเออมันจะเกี่ยวข้องตรงไหนว่าคนที่ปฏิบัติตามศีลมีสมาธิมีปัญญาเี่ยจิตของเขาเนี่ยจะเป็นจิตที่ไม่มีความร้อนใจนะไม่มีความร้อนใจนะพอไม่มีความร้อนใจแล้วนะมันก็สบายใจการตัดสินใจของคุณ การแก้ปัญหาของคุณการที่คุณดูแลลูกค้าการที่คุณจะมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยมันมีได้ไงมันมีได้แต่ตรงนี้คือประเด็นที่ทําให้พอเรามีความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาได้ช่วยลูกค้าเหลือช่วยเหลือลูกค้าต่างๆได้การทํางานของเราก็ได้ผลประสบความสําเร็จขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนไปค่ะคือสรุปแล้วไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องนอกเหตุเหนือผลอแต่เป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลใช่ <Okay. S 2> นะคะ เพราะฉะนั้นอยากกราบเรียนท่านเลยนะคะในขณะที่ดิฉันเชิญชวนท่านมาทําสมาธิไปพร้อมกันภายใต้การนําของท่านไพบูรเนี่ยดิฉันถ้าไม่ต้องทําอย่างอื่นที่จําเป็นจริงๆก็ทําสมาธิไปพร้อมกับท่านทุกครั้งเพราะฉะนั้นนิมนต์ท่านเลยนะคะเรียนปานวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของความโกรธแต่การที่เราจะไปฟังเรื่องนั้นก็ให้จิตของเรามีสตินึ่งซะก่อนโดยการให้เรามาระลึกถึงลมหายใจและลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ยังเป็นปกติธรรมดานี้ เราไม่ต้องแต่งลมไม่ต้องบังคับลมให้สั้นหรือให้ยาวให้เร็วหรือให้ช้านะใหหายใจเป็นธรรมชาติธรรมดาปกติในะขณะที่เราหายใจนั้นนะก็ไม่ต้องตามลมด้วยให้สังเกตจุดใดจุดหนึ่งนะในยืนในโพรงจมูกจะมีสักจุดหนึ่งที่เราจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้นะยังเป็นธรรมชาตนะิไม่ต้องไปกะเกณฑ์ว่าต้องเป็นเท่านี้ตารางมิลลิเมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมวงกลมหรือโดนัทนะแต่ให้มันเป็นบริเวณหนึ่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสได้ จะเบาก็ตามอาจจะแรงก็ตามธรรมชาติของมันนะเอาจิตของเราไว้ที่ตรงนี้นะจิตที่มาอยู่ในตําแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจเนี่ยเรียกว่าตําแหน่งฉพาะหน้าในภายในภาษาที่พระเจ้าใช้ก็คือปริมุขังนะบทเรียนชนะก็คือให้เรานะตั้งสตนะิระลึกถึงฉพาะหน้านะนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงน้ารงสติฉพาะหน้าหายใจเข้าก็มีสติ ระลึกถึงลมหายใจเข้าเมื่อหายใจออกก็มีสติระลึกนึกถึงลมหายใจออกในขณะที่เรามีสติระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่อย่างนี้มีคํากล่าวคำหนึ่งของพราหมณ์ที่ชื่อภารัตวาชะได้ไปถามพร ะ, ระพุทธเจ้าอย่างนี้ว่าบุคคลฆ่าอะไรได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าอะไรได้ย่อมไม่เศร้าโศกท่านพระโคดม พระองค์ย่อมชอบใจการฆ่าธรรมะอะไรเป็นธรรมอันเอกในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบปราหมณ์ผู้นี้ว่าบุคลคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสรรเสริญการฆ่าความโกรธ อ, อันมีรากเป็นพิษมีที่สุดปลายยอดหวานเพราะว่า บุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกผู้ไม่โกรธฝึกตนแล้วมีความเป็นอยู่สม่ำเสมอหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบสงบคงที่อยู่ความโกรธจะมีมาแต่ที่ไหนผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าบุคคลนั่นแหละเพราะการโกรธตอบนั้น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 คือประโยชน์ของตนและของคนอื่นอยู่ส่วนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสำคัญบุคคล น, นั้นว่าเป็นคนขาวอันนี้คือคาถาบทเพลงชนะที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องความโกรธจะเริ่มพอพูดถึงท่านที่นั่งสมาธิอยู่จะว่าไปตอนฟังสนทนาก็สามารถที่จะอยู่ในสมาธิได้ไหมคะหรือว่าไม่เหมาะได้ได้สิ จริงๆแล้วพระสูตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยการทําสมาธิไปด้วยการฟังธรรมะไปด้วยนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ค่ ะ, <น>ะท่านหลวงพัธที่เรพคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่ท่านเพบูลได้นำออามาพูดหมายถึงเป็นพระสูตรเกี่ยวกับความโกรธนอกเหนือจากให้เรานั่งสมาธิเพื่อที่จะฟังอย่างมีจิตจดจ่อแล้วก็มีมีรายละเอียดนะคะที่น่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะ มีมนให้ท่านสาไยายเลยค่ะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดที่เมืองราชกรือะนะเป็นมีพราหม์ทั้งหมดเป็นพี่น้องกันนะนามสกุลภารัตวาชชานะเป็นพราหมณ์อยู่4ี่รูปด้วยกันนะะเกิดในจนวรนพระพราหมณ์แล้วก็แบบว่าพราหมณ์ที่นามสกุลภารัตวาชชาทั้ง4ี่คนเนี่ยเขาก็ภายหลังเขาก็บวชหมดเลยนะเพราะว่าได้ไปสนทนากับพรเจ้านะเริ่มแรกก่อนเรื่องราวมาเป็นยังไงนะคือพราหมณ์คนที่พี่ที่สุดเนี่ยมีภรยาคนหนึ่ง เราก็ชื่อว่าธนัญชานีปรามณีนะปรากฏว่านางธนัญชานีปรามาณีคนเนี้ยก็ <c oughs> เป็นคนที่นับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็มีจิตอย่างลงถึงความเป็นโสดาบันนะเขามีพฤติกรรมอันหนึ่งคุณโยมติ๋วที่ที่น่าสนใจนะคือเวลามีอะไรแบบผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก้าวเท้าพลาดอะไรพลาดปุ๊บเขาก็จะอุทานขึ้นมาว่านโมทัสสะปะกวาโตอรสาธโตสมมาสมุทเทสสะอ๋อค่ะเหมือนอย่างสมัยปัจจุบันมีอะไรตกใจปุ๊บโอ้ยยี่โอ้ยยี่อย่างเงี้ยนะ ค่ะแล้วแต่บางคนก็พูดใจหยาบคายบางคนก็ท่องเป็นคาถาบางคนก็รักพ่อรักแม่ก็ว่ากันไปนะคะอันนี้เขาอุทานเป็นนนโมตะสะว่าอย่างนั้นค่ะอุทานเป็นข้อนอกใช่ใช่เป็นอย่างนั้นนะพอกล่าวอยู่อย่างนี้เนี่ยสามีก็เครืองอ่ะตอนนี้เอ๊ะทําไมจะต้องมากล่าวคุณของสมณะโลนอยู่เลยนะก็เครืองนี้ก็โกรธนะโกรธว่าทาไมภรรยาของฉันนี่ถึงถึงเป็นอย่างนี้นะก็เลยคราวนี้ก็เลยจะไปหาเรื่องบระพุทเจ้าละนะพรามคนนี้ ที่นามสกุลพระร า, าชาเนี่ย<ะ>โดยการที่แต่งคําถามไปนี่คือคําถามที่เล่าให้ฝังเบอร์สกุลนะแต่งคําถามไปว่าเอาล่ะฉันจะแต่งคําถามนะทำให้พระบุตรชาถติตอบมาในทางไหนเนี่ยต้องจนนะจนแน่นอนนะคือแต่งคําถามว่าบุคคลฆ่าอะไรได้ย่อมนอนเป็นสุขฆนะ่าอะไรได้ย่อมไม่เศร้าโศกถามว่าท่านพระครมเนี่ยชอบการฆ่าธรรมะอะไรอะไรเป็นธรรมอันเอกแบบนั้นนะคือเขาเขาคิดอย่างนี้ว่าถ้าฆ่า ถ้าผู้ศึกาบอกว่าฆ่าทำนี้ฆ่าสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยอ้าวไหนบอกว่าตัวเองไม่ฆ่าสารรักษาศีลอย่างนี้นะแล้วถ้าบอกว่าไม่ฆ่าถ้าบอกไม่ฆ่าอ้าวแล้วจะทำกิเลสให้หมดไปได้ยังไงไว้อย่างงั้นนะเขาาคิดมาอย่างนี้นะแต่งไว้อย่างนี้นะทีนี้บุ้ศึกาก็หักมุกเลยทีนี้นะถ้าเราบอกว่าเราไม่ฆ่าอะไรเนี่ยก็ก็ถูกเขาต้อนจนงั้นเราฆ่าก็แล้วกันแต่ฆ่าสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วก็เลยตอบตรงนั้นบอกว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุข นะข่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกนะพระอริยเจ้าทั้งหลายสันสซิลการข่าความโกรธนะที่มีรากเป็นพิษมียอดหวานนะว่าอย่างนี้นะพอบุคคลข่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกทีนี้ที่พูดตรงนี้พราหมณ์คนนีนะ้เขาจิตใจนี่มีความโกรธมาเต็มที่เลยนะพอพระรูชามาพูดถึงตรงนี้ปุ๊บก็สะเทือนใจเขาเลยนะจีบไปที่ใจนั่นแหละเพราะว่าโอฉันยังมีความโกรธเต็มหัวใจนะพอฟังตรงนี้แล้วก็เลย ทูลขอบวชเลยที่นั้นนะทูลขอบวชมีความจำแจ้งขึ้นมาในธรรมะนั่นแหละนะทูลขอบวชแล้วสักระยะหนึ่งนะออกหลีกรั้นอยู่คนเดียวนั่งสมาธิปุ๊บก็บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมานะนี่คือพระามผู้พี่คนแรกนะที่นามสกุลอพระธวัชชะตรงนี้ค่ะออดิฉันก็เพิ่งถึงความกระจ่างอีกอย่างหนึ่งตอนแรกนึกว่าพระธวาชาัชชะเป็นชื่อนนแต่ปรากฏว่าเป็นสกุลเพราะเห็นพระผู้ทโงตราดบ่อยนะคะ แปลว่าในยุคพระพุทธองค์เรียกคนที่สกุลสิคะภรัวะชะคือมันมีสองแบบถ้าให้เกียรติกันเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นลูกของใครเอาชื่อแม่มาเรียกอย่างท่านพระสารีบุตรก็เป็นบุตรของนางสารีอย่างนี<อ>้หรืออย่างบางทีเราในเมืองไทยเราก็เป็นนะคุณยมเติวยวแดงเราจะเรียกผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่อย่างเงี้ยเราก็จะเรียกตามชื่อลูกคนโตใช่ไหมนึกออกไหม อย่างทางภาคอีสานนี่เขาก็เป็นนะสมมุติลูกคนโตชื่อว่าเพนอย่างเงี้ยแม่ของเพนเนี่ยก็จะแม่เพนอแม่าประมาณนี้ให้เกียรติเขาอะนะค่ะอันนี้ก็ระบบหนึ่งหรือระบบหนึ่งก็คือเรียกโดยนามสกุลนะก็ก็ได้นะค่ะแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นตรงนั้นเป็นเกล็ดใช่ใชประเด็นอยู่ที่ธรรมความโกรธตรงนี้อ่าว่าอ่าเออเรามีความโกรธเต็มหัวใจเรายังฆ่าความโกรธไม่ได้เราจึงเศร้าโศก นะก็เลยแสวงหาการฆ่าความโกรธก็เลยขอบวชนะแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานาไปอยู่เล็กเด่นคนเดียวก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์ขึ้นมารเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่นี้สินะปรากฏว่าพราหมณ์คนนี้มีน้องนะน้องชายอีกคนหนึ่งน้องชายคนนี้ก็เคืองแล้วตอ น, นี้ทําไมพี่ฉันไปบวชนะไปอยู่กั บ, บ, บพวกสมณะโลนได้ไงไม่ไดนะ้ก็เลยจะไปโกรธมากก็เลยไปหาพระเจ้าและ ด, ด่าแบบชนิดที่เรียกว่า มีความโกรธความขัดเคืองด่าด้วยวาจาหยาบคายร้ายกาไม่ใช่ของสัตว์ประเลยทีนี้ด่าเละเทะเลยนะพราด่าขนาดนี้ปุ๊บจนกระทั่งตัวเองก็คงจะเหนื่อยนะด่ามากเหนื่อยพระพุทธเจ้าก็เลยถามทีนี้นะถามถามว่าอ้าพระามถ้าสมมุตมิมีมีคนมาเยี่ยมท่านที่บ้านเนี่ยจะเป็นมิตรอมาดญาติสายโลหิตมีเคยมีคนมาเยี่ยมไหมนะพราหม์คนนี้ก็บอกเคยสิ ม, นะมีนะมันมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยนระพุทธเจ้าก็ ถต่อไปบอกว่าคนที่ที่เขามาเยี่ยมท่านเนี่ยเวลาที่มาถึงบ้านท่านนี่ท่านได้จัดอาหารของเคี้ยวของดือนเตรียมต้อนรับท่านหรือไม่เตรียมต้อนรับบุคคลเหล่านั้นหรือไม่นะปรามคนนี้ก็บอกว่าก็เตรียมสิต้องมีการจัดเตรียมต้อนรับนะในแตครั้งบางคราวต้องมีพุทธเจ้า ก, ก็ถามต่อว่าเอาแล้วถ้ามีเนี่ยแล้วแขกคนต่างๆเหล่านั้นถ้าเขาไม่กินเขาไม่รับนะเขาไม่บริโภคด้วยของนั้นจะตกเป็นของใครนะถามปราหมผู้นี้ พระรามก็เลยบอกว่าอา้าถ้าเขาไม่กินไม่รับของนั้นก็ตก้องตกเป็นของฉันนะสิว่าอย่างนั้นนะพระเจ้าก็จึงบอกว่าพระเนี่ยมาด่าเรานะผู้ที่ไม่ด่าอยู่ท่านโกรธเราผู้ที่ไม่โกรธอยู่หมายมั่นเราผู้ที่ไม่หมายมั่นอยู่นะเราไม่รับเรื่องมีการด่าเป็นต้นของท่านเรื่องที่มีการด่าเป็นต้นนั้นเป็นของท่านแต่ผู้เดียวนะคือพระเจ้ายกตัวอย่างนี้นะเพื่อที่จะบอกว่าเอา้าสมมติคุณเอาคําด่ามาถึงบ้านฉัน แต่ฉันไม่รับอ่ะก็ตกเป็นของกุณอย่างเงี้ยน ะ, ะแต่ไม่พราห ม, มผู้ที่เป็นน้องชายคนที่สองเนี่ยก็เลยรู้สึกสะเทือนใจนิดนึงว่าเออจริงฮ่เฉันว่าได้คิดเลยนะคะสำหรับเร า, เราๆท่านท่านเหมือนกันใช่บางทีเราไปด่าอะไรใครเขาเนี่ยเราด่าเนี่ยเจ้าตัวที่ถูกด่านี่ไม่รู้เรื่องเลยนะคะคือ เราก็เป็นคนรับผลการด่า น, นั่นเองเหรอคะใช่แล้วตรงนี้นี่มีความหมายลึกซึ้งตรงนี้ผู้รจักบอกว่าบุคคลใดด่ดาตอบผู้ด่าอยู่โกรธตอบผู้โกรธอยู่หมายมั่นตอบผู้หมายมั่นอยู่ผู้นี้ชื่อว่าบริโภคด้วยกันกินด้วยกันนะทำด้วยกันแต่ถ้าไม่ด่าตอบไม่หมายมั่นตอบไม่โกรธตอบก็ชื่อว่าของนั้นไม่ได้กินด้วยของท่านเอามาก็เป็นของท่านอย่ายงิน เพรานเขาแบ่งคําด่ามาใช่ไหมเราก็ด่าเขาก็ชื่อว่าเราก็กินด้วยกัน่ะเป็นขนมผสมน้ํายากันไปก็แบ่งกันกินแล้วทีนี้นะซึ่งทําให้พราหมณ์คนนี้นะด้วยความที่คิดได้ขึ้นมาแล้วโอ้ตายละฉันไม่ดีแล้วทีนี้ก็เลยขอบวชทีนี้คนที่สองแล้วตามตามพี่ชายนะขอบวชไม่นานก็หลีกออกเล่นอยู่แต่ผู้เดียวก็บรรลุเป็นพระอรหันต์อีกเหมือนกันนะนี่พระราธบาจาคนที่สองนะค่ะ น้องชายคนที่สามเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้นะก็โกรธอีกทีนี้นะโกรธชนิดที่เรียกว่าโกรธมากก็เลยไปหาพระพุทธาคือโกรธจนพูดไม่ออกอ่ะคุณยมติวเคยเคยเป็นไหมหรืออาจจะเคยเห็นคนที่โกรธจนพูดไม่ออกนะ <c oughs> ไปหาพระพุทธาแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรกอึกอึกอยู่นะคนเดียว <c oughs> นะไม่พูดอะไรนิ่งอยู่ <c oughs> อ่าพอพอเป็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสอย่างนี้บอกว่า ผู้ใดประทุสร้ายนต่อคนที่ไม่ประทุสร้ายนํำบุรุษผู้หมดจดมีกิเลสเป็นเครื่องโย่อหยวนบาบย่อมกลับสนองผู้นั้นเปรียบเหมือนทุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปสู่ที่ทวนลมอย่างนี้นะคือเหมือนเรากำลังจะซัดฝุ่นไปทวนลมเนี่ยฝุ่นก็จะต้องกลับมาหาเราเองหนักหเป็นสองเท่าสามเท่าเพราะว่าตอนที่มันไปมันยังไม่โดนตาแต่ตอนกลับมามันมาโดนตาเราอย่างนี้ นะซึ่งตอนนี้ทําให้พรามคนนั้นเนี่ยเขาคิดได้ขึ้นมาว่าโห้ยฉันเกือบไปแล้วเนี่ยเกือบจะจัดการพระเจ้าละนะผู้ที่เป็นสัตว์บุรุษนะก็เลยเหมือนกับการที่ถมน้ํำลายรถไามันก็มาเลอะเราเองนะโปรยฝุ่นทวนลมมันก็มัโดนเราเองอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทําให้พรามคนนี้บวชเหมือนกันเฉลิมพรานอันนี้ก็ครบทั้งตระกูลแล้วมั้งแค่ไหนสี่ <4 S 1> คนใช่สี่คนนะคะแต่ว่าสี่คนที่มีสารพัดข้อธรรมในถ้าจะนับนี่ น่าจะเยอะมากนะคะเนี่ยที่ข้อที่หนึ่งถ้าดิฉันเคยอ่านเขาไปแยกแยะเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตเงะะี้ยนั่นแใช่ใชว่าค่าค่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสูงมาจากเรื่องนี้ล่ะมาจากเรื่องนี้ละอืแล้วก็ <S <S โ, อโอ้ยสา ร, รพัดสา ร, รพัดอยา่างแต่แต่ดิฉันสงสัยตรงเนี้ยนะคะที่บอกว่าผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าใช่ เนีเพราะว่าลามกต่อลามกกว่าบุคคลที่โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้นค่ะก็ก็ไม่เป็นสับรุษไม่เป็นคนดีแย่กว่าคนที่เขาเป็นคนที่เริ่มต้นใช่นีแย่กว่าก็จะคล้ายๆกับลักษณะว่าสมมติเราเรามีคนเขาทําผิดใช่ไหมแล้วเขามาขอขามาเราแต่เราไม่ยกโทษให้เขาอ่ะพระพุทธเจ้าเขบอกไอ้คนที่ไม่ยกโทษให้เนี่ยพานกว่า บุคคลผู้ไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วชื่อว่าย่อมชนะสงครามอันบุคคลชน ะ, ชนะได้ยากใช่อันนี้เป็นคำพูดเดียวกันกันกบที่เท้าสกะพูดด้วยเหมือนกันนะเท้าสกะคือพระอินทร์ก็เคยพูดบทนี้อยู่เรื่อยๆน ะ, ะผู้ใด<อ>รู้อยู่ว่าผู้นี้โกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบเสียได้ ผูนั้นชื่อว่าย่อมประพฤติเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย่อลองคิกคิดตามนะคะท่านฟังอสมมติคนหนึ่งเขาปึ้งมาเราไม่ปั้งตอบเราจะทําประโยชน์ให้แก่สองฝ่ายคือทางนู้นก็ไม่ไปกระพื่ออารมณ์เขาจดลุกลามใหญ่โตเรื่องควรจะเป็นขี้เล็บก็กลายเป็นฝามืออย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวเราเองก็ไม่เป็นอะไรแต่ท่านเขาบางคนบอกว่าไอ้การที่ไม่โกรธตอบเนี่ย บางทีไม่ใช่ตัวเราเองไม่เป็นอะไรนะพอแยกย้ายกันไปในปวดหัวถ้าแตกเลยอดทนไว <laughs> ้มันมีวิธีไหมคะเออคือจะว่าอดทนไม่เป็นอดทนไม่ถูกค่ะ <c oughs> นะคือการอดทนเนี่ยอหมายถึงอกุศลต้องไม่มีนะอกุศล ต, <c oughs> ต้องไม่มีแต่การเก็บกดเนี่ยคือเก็บอกุศลเอาไว้นะอด <c oughs> ทนไม่เหมือนเก็บกดเลยสมมุติเรามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องละอกุศลอกุศลไม่ได้ให้เก็บ นะถ้าเราเก็บอากุศลเราก็จะอย่างที่ว่าเนี่ยปวดหัวตึงมึนไปหมดหนักเครียดไปตามสันหลังตามคอใช่ไหมเราต้องละอกุศลเหล่านั้นแต่อดทนเนี่ยคืออดทนที่จะไม่โตอตอบนะอดทนที่จะไม่ทำร้ายตอบนี่คือความอดทนอ๋อค่ะและดิฉันอ่านต่อตรงเนี้อ่านยากนะค ะ, ะคือตัวสะกดมันไม่ค่อยมาครบสมบูรณ์ <c oughs> ชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรม ย่อมสำคัญบุคคลนั้นว่าเป็นคนขาวใช่เราเห็นคนนี้นิ่งๆอ่ะไม่โต้<ะ>ตอบอะไรอ่ะก็จะทำให้สําคัญว่าเอ๊ะไม่ฉลาดหรือว่าขี้ขลาดกันแน่ น, นคนโง่นะไม่ฉลาดหรือขี้ขลาดกันแน่ซึ่งทั้งสองอันนี้นไม่ใช่เลยแต่ ค, <ะ>คนที่เป็นสัตว์บรุษต่างหาจึงนิ่งอยู่ได้นะเป็นคนด<ะ>ีด้วยความอดทนจึงนิ่งอยู่ได้คะ่ะเดิฉันอยากจะทวนเ<บ>พราะไอ้นี่มนันเป็นเรื่องที่เกิดกับชีวิตประจําวันเราจริงๆนะคะใช่อีกส่วนหนึ่งที่บอกว่า ชนพานกล่าวคำหยาบด้วยวาจาย่อมสําคัญว่าชนะทีเดียวอืมแต่ความอดกลั้นดูเป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งอยู่นั่นแหละก็เป็นการบอกตรงตัวนะคะคนพานอย่าคิดว่าเราพูดแบบยาแบยา บ, ยาบยาบใส่เขาแล้วเราชนะอืมปึ้งปังปึ้งปังใส่ะนะให้เขาเจ็บใจคิดว่าตัวเองจะได้ดีค น, น, นอดกลัน<ต>้นอย่างถูกต้องต้องบอกให้คนอดกลั้นอย่างถูกต้องอที่ดั้นพยูนบอกเป็นคนชนะ ถูกต้องผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลาโมกมากกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมชื่อว่าอ๋ออันนี้พูดไปแล้วชนะสงครามอันชนะได้ยากใช่ผู้ใดประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายเป็นบุรุษผู้หมดจดไม่มีกิเลสเป็นเครื่องยั่วยวนบาบย่อมกลับสนองผู้นั้น อันนี้น่ากลัวมากยังคิดว่าคนสมัยเนี้ยยิ่งในยุคที่เราสามารถด่าคนเด็กเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนดา่าซ่อนเอาไว้บนโลกไอทีนะคะท่<อ>านด่าคนนั้นคนนี้ออนนแล้วกไ็ไม่ต้องกลัวเลยไงไม่ต้องกลัวเลยเพราะไม่ต้องมีผู้พิพากษาแลน ะ, ค, ะคุณได้รับผลของกรรมแน่คนทำนะใช่ค่ะเดนกําลังคิดว่ามันเป็นข้อควรระวังว่าอันนี้ระบุว่าเป็นผู้หมดจดไม่มีกิเลสเหมือนกับศีลดีที่จะว่าไปแช่นี้คือคนดีอ่ะอืม ต้องระวังนะคะใช่น่ากลัวมากประเดนนี้คือรวบรวมเรื่องราวของความโกรธนะที่เราฟังแล้วก็พิจารณาตามบางทีอาจจะทำยากทําอะไรบ้างเราก็โอดทนเอานะทำให้ถูกโดยการที่ไม่ใช่เก็บกดแต่ละอกุศลนะทําใจให้มีความอดทนละอกุศลนะก็ค่อยเป็นค่อยไปได้เหรอคุณโยมดิวความโกรธนี่ถือว่าเป็นกิเลสไหมคะหรือว่าเป็นอารมณ์เป็นเป็นกิเลสถูกต้องรากะนะเป็นเป็นโทสะเข้าไวความโกรธ ความโกรธเป็นโทสะออืในบรฎากิเลสเนี่ยถ้าพูดจริงๆหลักใหญ่ดิฉันเคยได้ยินว่าราคะโทสะโมหะมีมากไปกว่านี้ไหมคะอะคือถ้าเราจะแยกหมวดหมู่ได้สาหมวดตรงนี้นะแยกหมวดหมู่แต่ว่าในโทสะอย่างเงี้ยอาจจะมีการด่ า, ก า, าการทําร้ายกันทุบตีนะโมหะอาจจะมีเรื่องของความอากตันอยูการไม่รู้คุณคนการที่ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเงี้ยมันก็จะแยกเป็นอาการออกไป ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เท่ากับว่าเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของโทสะค่อนข้างมากทีเดียวแล้วก็วิธีที่จะจัดการกับอหอะไรก็รับมือกับโทสะอย่างถูกต้องอย่างไรไต้องกราบในมรสการขอบพระคุณท่านเป็นบุญเป็นอย่างยิ่งนะคะเต็มบานขอบพระคุณค่ะท่านฝังที่เคารพคะในการสัมส น, ส น, นาในขณะที่เชื่อว่านี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้กันอย่างเต็มที่เลยสําหรับธรรมะของพระศาสดาที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองคนรอบข้าง ในชีวิตทุกวันทุกวันนี้แล้วก็ถ้าทําได้เนี่ยยังสามารถจะนําพาเราไปสู่ขั้นของการที่จะทุกน้อยลงทุกน้อยลงทุกน้อยลงยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าเท่ากับว่ากําลังเดินตามมักของพระาศาสดาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันติดตามรับฟังรายการสันสันนิยนทนากันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้พุธ ว, วัสดีค่ะ